เมื่อกี้นี้มันยังชอบใจดีใจอยู่เลยนะที่ได้แต่งกวามาแต่ว่ารอบที่สองนี้มันไม่พอใจแล้วมาเราแต่งกวางขว้างใส่คนเลยแล้วมันก็ดูนะคนเนี่ยให้องุ่นกับลิงตัวที่สองหลังจากที่ลิงตัวที่สองนี้ยืน่นก้อนหินก้อนกรวดให้นะ ก็ทำซ้ำเป็นครั้งที่3นะเอาก้อนกลวดมาวางไว้ตรงมุมกรงแล้วก็ให้หลิงตัวแรกเนี้ยเอาก้อนกลวดยื่นคืนมารางวัลก็เหมือนเดิมแตงกว่านะมันก็รับอย่างเสียไม่ได้นะไม่พอใจนะาทีท่าทางก็กลับพลัดกลับเพี้ยนพอรับได้รับเสร็จมันก็ทำยังไง เอาแตงกวาคว้างใส่คนอีกนะการทดลองนี้สั้นนะไม่ถึง2นาทีเห็นก็รู้เลยนะว่าลิงเนี่ยมันมีความไม่พอใจที่มันได้แต่งกวาขณะที่เพื่อนเนี่ยได้องุ่นซึ่งเป็นของที่ดีกว่าอันนี้เขาต้องการ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 ดอลลต่อปีแล้วเขาก็ขอลดเงินเดือนให้เท่ากับคนอื่นจากล้านหนึ่งนะเหลือเจ็ดหมื่นไอแบบนี้นี่หายากนะเมืองไทยคงไม่มีลดพด น, น, นัาขนาดนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วคนเราเวลามีเงินเดือนมากกว่านี้เราก็ไมไ่รู้สึกเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรที่จะให้เงินเดือนตัวเองเนี่ยเท่าคนอื่น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 ทั้งนั่งที่ของนั้นก็ยังมีประโยชน์แล้วก็เป็นของที่มันชอบด้วยหรือเป็นของที่คนเราชอบด้วยแล้วพวกเราเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่านะเวลาเราได้อะไรมาเนี่ยทีแรกเราก็ดีใจแต่พอเรารู้ว่าคนอื่นเขาได้มากกว่าได้ดีกว่าเราเสียใจเล ย, เยแล้วก็เราก็เลย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 ก็คือว่าการเปรียบเทียบเนี่ยความทุกข์ได้ง่าย ท, า ท, าทั้งทังที่เราได้โชคได้ลาบทีแรกก็ดีใจแต่พอคนเห็นคนอื่นเขาได้ดีกว่ามากกว่าไอความดีใจก็เปลี่ยนเป็นความเสียใจทันทีซื้อของราคาถูกต่อนะ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 แต่ว่านั่งได้ไม่กี่วันก็ปรากฏว่ามีสิ่งรบกวนก็คื อ, อถนนที่ติด ก, กับหน้าร้านเนี่ยตกเย็นเนี่ยเด็กๆกลุ่มหนึ่งก็มาเล่นฟุตบอลกันส่งเสียงเจียวจ้าวลุงคนนี้แกก็นั่งสมาธิไม่ค่อยได้จริงเสียงเจียวจ้านี่ถ้านั่งเป็นก็นั่งได้นะแต่ว่าคนฝึกใหม่นี่ก็คงจะนั่งลำบาก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 ก็อยากจะให้รางวัลหนูนะก็ให้ร้อยบาทนะเอาไปแบ่งกันนะเด็กก็ดีใจอาทิตย์ต่อมาเด็กก็มาเล่นอีกนะจากนี้ส่งเสียงเจ้าจ้าวยิ่งกว่าเดิมลงยังก็ลงไปแล้วก็เอาเงินไปให้เด็กแต่คราวนี้เนี่ยบอกกับเด็กว่าช่วงนี้ขายไม่ค่อยได้นะ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 เอาไป10บาทก็แล้วกันนะนี่เด็กเริ่มไม่พอใจแล้วนะบอกว่าหลังจากนั้นเด็กก็ไม่ใหม่ยกเลยเพราะเด็กรู้สึกว่าไม่คุ้มค่าเหนื่อยนะสิบบาทไม่คุ้มค่าเหนื่อยแต่ก่อนได้ร้อยนะคราวนี้ได้10บนะสำหรับเด็กเนี่ยเขรู้สึกเขาสูญเสียเงินไป90บนะพอคิดว่าเสียเงินไป9ก้าหรือ ขาดเงินไป90เนี่ยนะเด็กก็เสียใจไม่พอใจแล้วก็ไม่หมเลยก็สมสมปรัชนาของลุงนะถามว่าเด็กฉลาดหรือวะ น, นะแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้เงินก็ยังเล่นนะแล้วก็เล่นด้วยความสนุกนะเด็กก็ไม่คิดนะว่าเอ้ยตอนก่อนหน้านี้เราเราเล่นฟรีๆนะไม่ได้เงินเราก็ยังเล่นเลยแต่คราวนี้ได้10บาทนี่กลับไม่เล่นซะละ นะพ่อแหลรพอไปเทียบกับว่าเคยได้ร้อยบาทนะอันนี้เรามองไม่เป็นเทียบไม่ถูกนะถ้าเ้าเทียบว่าเออสมัยก่อนไอ้แต่ก่อนนี่เราเล่นเปล่าเปล่ า, ลาไม่ได้เงินนะมีความสุขนะแต่ก็ไปเทียบกับตอนที่ได้ร้อยและตอนนี้ได้10บาทนะคนเราผู้ใหญ่ก็เป็นนะไม่ใช่เด็กนะผู้ใหญ่ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะ เปรียบเทียบไม่เป็นคนเราถ้ามอไม่เป็นนะได้คือเสียนะได้สิ บ, บาทแต่เขารู้สึกว่าเขาเสียเก้าสิบยิ่งกว่านี้ก็มีนะเพื่อตอมาคนนึงเป็นนักเล่นทุนเล่าว่าเคยสมัยก่อนเนี่ยนะก็ไปที่ตลาดหุ้นเป็นประจําแล้วก็ไปเจอคุณป้าคนหนึ่งคุณป้าคนนี้แกก็มีอาชีพขายหุ้นเหมือนกัน ซื้อถูกขายแพงคุยไปคุยมาคุณป้าก็เล่าว่าเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยขายหุ้นไปตัวหนึ่งได้กําไร10ล้านบาท10ล้านบาทนี่ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนี่สี่บมั้งหใบเพื่อนตามาก็เลยบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณปา้าคุณป้าบอกว่ายินดีอะไรกันละ่ะถ้าฉันขายหุ้นวันนี้ฉันได้กําไร20ล้าน คุณป้าไม่มีความพอใจนะไ ม, ไม่ไม่ดีใจนะที่ได้1ิบล้านบาทเพราะอะไรเพราะว่าถ้าขายวันนี้จะได้ยี่สิบล้านคุณป้านี่ไม่ได้คิดว่าตัวเองได้10บล้านนะแต่แกคิดว่าตัวเองเสีย1ิบล้านวันรุ่งขึ้นคุณป้าก็ไม่มาที่ตลาดหุ้นเหมือนเคย เพื่อนตบมาสงสัยก็เลยไปถามมาร์เก็ตติ้งซึ่งเป็นลูกค้าของคุณป้าคนเนี้ยว่าป้าหายไปไหนก็ได้คำตอบว่าแกไปแกเข้าโรงพยาบาลแล้วรู้ไหมว่าเข้าโรงพยาบาลเพราะอะไรเครียดนะเครียดที่ได้แค่10ล้านนะแต่ที่จริงแกไม่ได้คิดว่าแกได้10บล้านนะอย่างที่บอกแกคิดว่าแกเสียสิบล้านนะพอคิดว่าเสียสิบล้านนี่ป่วยเลยนะ อันนี้เรีว่ามองไม่เป็นนะแทนที่จะได้สิบล้านแล้วมีความสุขกับไม่พอใจก็คงไม่ต่างจากไอ้ลิงคาปูชินนะที่ทีแรกนะได้แต่งกวามาก็ดีใจแต่พอได้เที่ยได้ครั้งที่สองนี้ไม่พอใจแล้วนะเพราะว่าคิดว่าฉันน่าจะได้องุ่นนะควางทิ้งเลยนะไอ้แต่งกวาเนี่ยโง่หรือฉลาดนะคนเราก็ไม่ต่างกันนะ